ต้องไปต่อ ฟังที่ไหนไปหาที yes? ่ไหนจนจะเป็นธรรมะให้แต่ผู้ฉลาดอย่างพุทธเจ้าท่านหาธรรมะเป็นพิจารณาธรรมะพิจารณาจากความมีอยู่คิดดูเช่นเมื่อพระองค์จะออกเสด็จที่เนศเสร็จกรมทรงบันไทรา จะสมบทรณ์ในศาสณาพระองค์กรณีใครไปแนะนำทำสอนพระองค์คิดขึ้นจากพระไทยของพระองค์เองเมีใช้ยพยานาสิ่งที่มีอยู่ในโลกมาสอนจิตรมใจของพระองค์ อย่างไรบอกอย่างนะั้นเทวทูตที่พูดพเจ้าหรือทิฏฐาคุมาเคยประสบพบเห็นนะคือเทวทูกที่มีอยู่ ทั้งาลงไปซุกเชลงไปเมื่อนั้นจ่เคยเป่นต่างส้นงินเก่วหนวแห้งกผูไปหนาดูตาเคยสว่างสวยต่อฝากตอฟางหูจะเคยหยิบเคยดีต่อหูตจึงเข็มจะเคยบุดดั้งเป็นงองงามเป็นหอตก ความแกะก็จะต้มีเทนะ่านันพระองคท่านที่จะาความแกะนี่แหละสอนใจของพระองค์โดยไม่ลืมเหลื อ, อเถลิดเพินในสมบัติสมบัติขางองทองบริษัทบริเวณบ้าช่องต่างๆพระองค์เคยมีสมบัติเพือย่าง ปัติารวจท้าหาทิดต่อรักษาะราชสวัางจะห้ามกัน boat okay. เพความแก่บังคับบัชาแข้งขาป็นแข้งแรงหญิงสาวจะโดนเหวี่ยงลัมางตาตมโรออะไรก็ไม่ใขนาชัดเจนฟังอะไรก็ไม่ยินเสียงหิบให้ียุฟังแก่ ก็เป็นเทวทูตเป็นผู้บอกอย่างเทวดา มันมีทางสิจะเยียวยาไม่มีทางสิจะรักษาถึงรักษาได้หายไปวันนี้วันหน้าจะมีมาอีกนี่คือความเจ็ดความเจ็บนี้เป็นพิษเป็นไข้ใหญ่หลวงม้วมกันห้ามกันม้นในได้อย่า ม, มีความสุขความสบายอะไรเมื่อเจ็บไข้ได้ทุกข์เกิดมาเมื่อเป็นเช่นนี้เข้าองค์พิจนาดู ตัวของพระ อ, องค์เองเมื่อเก็บเข้าก็จะเป็นอย่างเขาที่เรามองเห็นคนอื่นเพ่อโย ก, กเหมือนกันไม่มีอะไรที่จะห้ามกั้งไม่ให้เกิดความเจ็บขึ้นได้พี่เจนนะเรื่องคนเจ็บก็แล่ามาเพลิ น, นเพลินงัว เ, เมาเฝ้าชิดอยากไปชมพระราชอุทยานอีกกลับอีกอยู่เป็นเจราทูตคนจี๒คนจี๒ ที่แนะนํำท่านสอนจิตใจของท่านไ ม, ม่ห็นโมเมาสั่วฝันรุ่มหลงเพิดเพลินในเรู่อของโลกเพราะแก่กว่าดีเจ็บตัวดีเป็นธรรมะที่พวกเราท่านควรที่จะมาสอนใจไ ม, ม่เห้นรุ่มหลงเพิดเพลินวันหลัลงอยากจะได้ชงอุทยานอีก จ้าวะอะไรแส่งพระไทยของพระองค์อยากให้ไปชมไปราชอุทยานแต่วกกไปวันหลังวันที่สามไปเจอคนตายเขาคนตายกำลังเ น, น่ากำลังเปื่อยกำลังคุกกำลังทองกลิ่นไปจ้ า, าวบากมึงเป็นอย่างไรไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าสัตว์ผานมีอัตภาพร่างกายตายแล้ว จะเน่าจะเหม็นร่างกายนั้นจะพุจะพองจะเปลี่ยนไปตามหน้าที่ของมันคนตายนั้นไม่มีใครที่ไหนปราถนาเมื่อปลาตายเขายังต้องการตลาตายก็ยังต้องการวัวควายตายหมูตายไก่ตายเป็ดตายก็ยังไปทําเป็นอาหาร แต่คนตายนี้ไม่มีคุณค่าราคาสาระประโยชน์อะไรตายไปแล้วเน่าเหม็นทำไมฝังไม่เผาเอาสิ่งของเองินทองต่างๆที่เขาแสวงหามากไม่มีอะไรที่ยะช่วยเขาได้ในเหตาุเขาตายแล้วเขาตายแล้วจะหอบหิวหาหามสิ่งเหล่านั้นติดกันตามตัวไปพบหน้า ก็ไม่ได้อีกบุตรยาีย ด, ดามานดาญานิจะช่วยเหลือไม่ให้เขาตายให้เขากลับฟื้นขึ้นมาเป็นคนอีกก็เปล้นไปไม่ได้นี่คือความตายพัดท่าจากสิ่งที่รักที่ชอบใจทั้งสิ้นไปไม่มีใครที่จะรู้ได้โลกอันนี้ แจะต้องมีความตายเึงนเ่งหน้าดวยกันเมื่อเป็นอย่างนั้นเราที่มีฐานะหน้าที่มียศถาบรรดาศักดิ์ถึงขนาดกา ร, ระสับไม่มีอาวุธอะไรที่จะไปต่อสู้ชิงชัยกับความตายได้พระองค์พิจารณาสอนใจของพระองค์ไม่ลืมหลวงเมิ่เพลิม ชีวิตกราดราศรกสูราศวังอีกพิจิพิจารณาความแจ่ความเจ็บความตายไปตามจิตไม่ได้คิดเพลิดเพลินมัวเมาเหมือนเก่าก่อนแต่ก่อนพระองค์ก่อทรงเพลิดเพลินในสนมกำนันในปราสาตราศวังในสมบัติพัสถานต่างๆ เมื่อจิตบกคิดถึงแก่เจ็บตายจิตนั้นเป็นธรรมในรื่นหลงในเพลเทินในมือเมาในเฝ้าฝันในสมบัติบริบัทิบริวารยศถาบรรดาศักเหล่านั้นพระองค์ท่านพีนิพเจยนาอยู่ตลอดเวลาท่านต่อมาวันหลังอยากจะไปอีก ไปอีกวันนี้แทนที่จะไปพบคนแก่คนเจ็บคนตายเลยไปพบสมณะสามคือนักบวชเรื่องทั้งสามทั้งสี่นี้เป็นเรื่องเทพนิดๆมันโดนจิตให้พระองค์เห็นคือสมัยนั้นยังไม่มีนักบวชคนใด สมณะเพศคนใดนอกจากริสีชีภัยเท่านั้นทีน่มีอยู่ในประเทศเหล่านั้นหรือในโลกสมัยนั้นสมณะพรายิสุสามเดือนยังไม่มีเพราะยังไม่มีศาสน า, าเกิดขึ้นแต่ยิสุกรรมเพศพบุตรยำแรงเทศเป็นสมณะนั่งสมาธิภาวนามีจิวยา น้าดูสง่าผ่าเผยหน้าตาหยิ่งหยิ่งแจ่มใสจิตทำจิตสงบสบายวิเวกบังเอิญอยู่ข้างถนนที่พระองค์จะเสด็จผ่านพอไปไปศพพบเข้าก็าหยุดลาดเสลดเราจอดถามนายสัญญา ม, มาอันนี้คืออะไร พอเกิดมายังไม่เคยประสบพบเห็นหรูปร่างลักษณะของบุคคลเช่นนั้นท่านจึงเสมพระทยพิจารณาและถามปัดถามในฉันนาอ ม, ามาหรหัวในข่าวว่านาฉันนาอมรตไปได้ความรู้ความเข้า่ใจมาจากที่ไหนพอนายฉันนาอมรห ก, ก็เกิดบันเดียวกันเป็นสหะชาติกับพระพุเทธเจ้า ไม่เคยแต่บพบเห็นมาก่อนแต่จะบอกว่า น, นี่คือสมณะผู้เห็นไทยในวัฏสงสารผู้ที่จะนีจากมันคือแก่เกิดตายนายฉันนาอมากอธิบายให้พระพุทธองค์ฟังอย่างนั้นทิฏฐาราคุมาได้ฟังรู้สึกแบบพอพราไทย แล้วลึกคิดในจิตในใจอยู่สม่ำเสมอติดใจในสมณนนะรูปลักษณะทุกอย่างน่าชมน้าบูชาท่านมีไมีจิตคิดลบสุ่งปุงไปยองนอท่านหาความสงบหาความเย็นใจของท่านท่านมีความสุขความเปิดเผยพระองค์กับ มาสื่อารวังอีกในระยะนั้นไมิ เ, เพิดเพลินมัวเมาฝ่า่นฝันเหมือนก่อนในวันที่จะเสด็จพิเศษสกลคืออกอกบวกนักสนงกานันจำนวนหกหมื่นคนที่เฝ้าดูแลรักษาใส่ความบาเวต่อพระพุทธเจ้ามีมากถึงหหมื่ รูปร่างสวยสดงบงามมาจากสกูลที่ดีสึกจิิยามายาตอันดีมาทุกเพ่นหน้าเป็นคนจี่น่ารักน่าชอบใจหน่าเพิดเพลินพูดถึงคนธรรมดาที่มีจิตเลตตัณหารูปร่างลักษณะของหญิงเหล่านั้นเริ่มแต่คนสวยคนงามจิิยามายาต ก็ฝึกรักษาอย่างดีทำอากับกิริยาท่าทีทุกอย่างจะให้เขาที่จถ้าปุมานเพิดเพินเมือเอมาในกามกคุณกับเขา เ, เพิ่มไปเพิ่มไปหลายท่าหลายทีกิริยาที่จะนา ม, มาเพื่อความกําหนัำยินดีเขาทำไป เพื่อล่อใจของพระพุทธเจ้าหรือสีทศกุมานให้ลืมหลงแต่พระ อ, องค์คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายสมานะอยู่ภายในจิตใจไม่เลือไหลไม่เพิดเผยเมื่อเขาเล่นไปก็เป็นหน้าที่ของเขาแต่ตัวของท่านพิจารณาภายในคือแก่เจ็บตายอยู่ในใจสม่ำเสมอแล้ว พระองมอไม่เผลิดเพินในเมืยวเมาไมในฝ่าคิดหลงไหลเหมือนเก่าก่อนก็เลยเข้าไปบงงันทมคือไปนอนพวกนั้นก็เล่นไป ต, ตามเรื่องของเขาเล่นไปเล่นมาหาผู้ชายคนหนึ่งคนใดจะมาเจียว ข, อ ข, อขอ้องคนไหนมีแต่ศีรษะราดกุมารองเดียวเท่านั้น อยู่ในสถานที่นั้นเมื่อผู้ชายที่เขามุงหลังตั้งใจมีเพียงคนเดียวไม่เกี่ยวข้องเขาเหล่านั้นเล่นไปเล่นมาก็ไม่มีกำลังใจก็ เ, เลยหยุดหลับนอนกันเตี้ยการหลับนอนคนจำนวนหกหมื่นนอนกับนอนดึกยูหน่อยพอนอนไปหลับไป ไฟไม่ได้ปิดตามสว่างอยู่ในท้องพระโรงหลวงเัาเองตรงบันทมตอนดึกสงัดขึ้นบันทมตื่นนอนเปิดม่านออกมามองดูพวกนักสนมกลมวังที่หลับนอนอยู่นั้นมองเห็นพวกเหล่านั้น นอนหลับฝันแล้วมือเผดคิดไปต่างๆนานาตามประษีภาษาเพราะคนนอนหลับจะมีสติรักษาอะไรนั้นไม่มีเนยว่าสมัยใดคนนอนหลับจะไม่มีสติรักษาตัวคนที่ยังไม่หลับพระรักษาตัวได้หรือว่ากิริยาเมยากหรือผ้าผ่อนทน สบายต่างๆมีนอนหลับไปคนจานวนมากอย่างนั้นไปตามสว่างอยู่เห้ืนกลางวันไม่ว่าตั้งแต่สมัยพุทธกาลถึงสีพะกะอุมาฯมองเห็นเราไปเหมือนกันทุกวันนี้มีจานวนเพียงพันหรือร้อยเท่านั้นนอนกันเหมือ น, นกันการนอนก็คนบางคนนอนแบบหนึ่งบางคนนอนไปอีกแบบหนึ่ง บางคนกอแล้วมือถือฝันบางคนกนอนลืมตาอ่าปา บ, บางคนกอนนอนลายไหลาบางคนกถ้าผ่อนผ่อนสบายหลุดหลุดหลุออนี้ไปอยู่กับเมื้อกับตัวมันเป็นอย่างนั้นการนอนหลับของคนจะมีจิตญาณละเอียจะมีสติรักษากายทังตนไม่มีเพราะหลับ เมื่พอพระองค์รงมองเห็นจิิยาารยาติของนักธนุมจำนวนมากแทนที่จะกำหนดยินดีในเรื่องเขศตรงกันข้ามที่นอนยืนละดายากาเกียนอยู่นั้นไม่เป็นอย่างนั้นเพราะพิยนาธรรมคณะจิตที่คิดปรุงนั้นยังไม่ปล่อยวางความแจ่ความเจ็บความตาย หรือสมณะธรรมที่พระพุทธองค์ทรงเห็นตั้งแต่วันก่อนๆมาพิจารณาเป็นอัตเป็นธรรมอยู่นั้นวาราจิตคณะจิตของท่านพลิกไปในอัตในธรรมไปเป็นไปในทางโลกพอมองเห็นอย่างนั้นก็ได้เปิดความรู้ โอกาสเวา ชั่วจึงเสียจึงหนุนจึงหลงจึงเกิดจึงเท็จอยู่ในเร่พอมาเดินตวกเเข้ายกความเรารักเราสังเวเขาก็เลยเกิดความเสียอกเสียใจนยใจตามใจ ระดับทีเหล่านี้ จะสบคบเห็นความเจริญอย่างนั้นแต่ความกินมาแกมันจะแก่ไปไหนล่ะแกเข้าเต่าแกเข้าป่าช้าความแกมันแกไปทุกวันทุกเวลาแต่เราไม่ได่ที่ิจาระจิตของเราจะไม่เกิดสวดสังเวชเลยเกิดที่เหตุปัญหาเกิดความป่าเถนาเกิดความต้องตาเกิดรักษา แต่งสาวขึ้มาเท่านั้นจิตใจของพวกเราท่านใส่ฝันเมือเมาเฝ้าคิดในเรื่องของราคาตัญหายากจะปลดยากจะตดอยากจะสมยากจะเสกมันเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้ายุสาวกก็ทํานองเดียวกันเป็นจิตเลอดอย่างเดียวกันเป็นมนุษย์อย่างเดียวกัน แต่มาที่นี้ไปเจอนาธรรมะเพื่อนนแน่สอนจิตใจท่องท่งานให้ละจากสิ่งเนั่นนั้นกลับมาสู่ธรรมะด้วยความเยือกเย็นภายในใจไม่ไปพยยิกใตามราคะปัญหาต่างๆหาทางที่จะละงับดับมันแกน้ไขมันเรียบสติดด้วยปัญญา ธรรมะท่านจึงทรงพิเนศ ส, สังคมทรงระพเพปฏิบัติเมื่อบุพเพปฏิบัติความยุ่งยากลำบากยู่ในนี้คือมีอาจารย์เนสอนว่ายุ่งยากลำบากแทบจะตายจึง่ายธรรมะมาสอนโลกธรรมะที่พ<ม>ันไดมาสอนโลกยังคงเส่งคงวาไม่มีอะไรเสียหายไป แม่พระพุทธเจ้ากจ็ปีนี้ทานไปก็มเลวหอบผิวสาระธรรมคาสอนไปเรยังมีอยู่วางอลูอ่ตกหลุดเคยปวกเรามลสัตว์คยปลูกข้องติดในพบชาติได้ที่นี้ที่เจอมาศึกษาปฏิบัติกายวยจางใจต้องตัวกละสิ่งที่ชั่วบัณเิตสิ่งที่ดีเต็จิตเข้าถึงใรื่อ สอทางในเรื่เราท่งเกิดมาในใใ่ัดที่พิจารณาศึกษาอย่างนี้จึเหลงใฝ่ใฝ่เพิดเติมเงื่อนมอไปเรื่องหน่จิต ใ, ใจก็เลยเติมไปด้ยวยความโลภความ โ, รโกรธความหลงเพราะในวัยที่จงงารารณาสม่ฝสาฝัจิตใจนั้นปกติมันอยู่ที่ต่ำ จะต้ตตตองเติมลงไปสีที่ต่ำที่สูงจะต้องมีอะไรเพื่อยิงขึ้นมีขึ้นเพื่องที่ต่ำไม่ต้องหา อ, อะไรมีเรงเลยมันตกลงไปตกลงไปทุกอย่างที่มันต่ำอย่างเห น, นเอือมันจะไหลไปเรวมที่มันต่ำที่นังสูงมันเลยหลขึ้น